ที่นี่ไม่มีใครแปกหน้าเป็นญาตามากรแล้วแต่เพิ่งได้พบกันได้พบกันช น, นี้กับคาวามเพียรขาวรวมถึงควงผิดที่เกิดขึ้นกับตาของชายชูรุนต่ำ การศึกษาเรื่องที่จะเห็นความผิดตรงถูกเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้จ้เอาคือวิชากรรมฐ า, านวิชาที่มัณฑนะทำให้ดีขึ้นเริมขึ้นกรรมฐ า, านทำให้เรามีความคล่องมีความเข า, า, เขาย่าง คนในความขยันย่อมทำอะไรได้สำเร็จเกียดข่านเรื่องยากเกิดขึ้นเร่ไม่ก้าวหน้านอนเกิดสายเจริญเรวิชาของฐานทำให้เราในความขยันภาวนากห้พุคธขยัน กรรมฐ า, านภา ว, วนาวิปัสสนาก้าวไปเป็นชั้นๆไปที่ต่งางของกังกระทองเลยในที่ทางานนั่นๆเรียวกว่าวิชากรรมฐ า, านทำไปได้วยสมดุลวิชาชีพถึงต่อกรรมฐ า, านเป็น คือที่ชำนาญในเรื่องกายเรื่องใจมีสติเป็นที่ต้องดูกายรูใจอะไรเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่สติวอยอมอยู่เช่นทางไว้นั่นไม่ใช่แล้วกลับมารู้ตัวเวลานี้อาไม่ใช่มานั่งคิดตุ่นคิดนี่ เวลานี้เรามามีสติดูแลกายใจของเรากลับมาต้นพักศิ์ธที่คึจนเด่นจนเนพุทธเจ้าจากสามมัญชนลุตชนในควาทุกข์องเราของสัมมิจิเลตตัญหาลักะเดี๋ยวเจ็บเต ยอมรับจํานตนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้เป็นทุกข์ต้องยอมรับความทุกข์ต้องให้ไม่เสียใจดีใจแน้าด้สิ่งที่ต้องการพลาดสิ่งที่รักก็เสียใจไม่สบายก็ทุกข์ใจเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสามัญชนหรือปุถุชน การใหูจกเร่งกายใจก็เพื่อที่จะแสงหาในอารมณ์ท่ชนั่นเราเปคนวิชตาสมบูณเรื่องนี้มีประสาทสำดูคนอื่นก็ช่างให้เองก็ขาสนามเรื่องสนุน ทำนันในไ่ได้หลดเชือปนมีงามไปมีนระบคงดปรบอจะลดตแะชาชเชื่อชงสวยๆจนจะเนพระเจ้าจักรพรรดิ่สำเร็จก็สุดเดสุดแต่ยังทุก คนที่มีจิตเจาัยาาติชั่วอรราเชะในใจย่อมไม่ยอมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหาทางออกหาทต่อทไมต้องทุกข์ทไมต้องทุขทำไมต้องเกลีต้องตกต้องตายทำไมต้องทุกข์กุทุกข์เวทนากุศทุกข์สัญญาทุกข์สังขารทุกข์ปยญญะทุกข์ต้องยอมอยู่เพลิน้หรือ อพอกภาพชาจของเราของชอบสอยก็เป็นทุกข์ต้องกินอย่างนี้หรือกความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจออความขัดแย้นใจก็เป็นทุกข์แต่ต้องอยู่อย่างไี่เลือกผู้มีฉดีปัญญาที่จะพัฒนาชีวิตต้องมุจงหนวนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้หาัำตอบไม่จับจ้องไม่หยุดแค่นี้ เจอปัญหาต้องรอวันวันเจบปวตาอร้องให้คอเสียใจทนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รักสมบัติกรักอไได้มาเป็นของตัวกรักยใช้อี่ได้มาเสียใจที่สิ่งที่ตั้หมาไปปัญหาตอบตรงนี้ปาญหาคาตอบตรงนี้ ถามเธอไม่ม้ต่ตจตาเอึกษาตัวจอเองสติไปในกายเปนประจำมาไม่สติดูขีรู้สึกตัวดูชี้ระองจริงนัง่งคู่แขนเข่าเหยียบแขนโลกรู้สึกตัวไปในกายที่เป็นประจำ อาตชีเกิดขึ้นมากับกายกับจิตก็รู้ช้ามันคิดไปกับรู้ไปทอบความคิดมันก็ใช่คิดอะไรเยอะมามากแล้วอายุยี่เก้าพรรษาสามผิดพรรษาต้องคิดอะไร เ, เยอะแยะยิ่งถึงเจ้าข้าชายเป็นม้ากระสับต้องคิด สดุเร ph ื่องต่างๆด้วยิดขึ้นกับเปาประชาชนกัตัวเองกับครอบครัวหมู่ญาติพี่น้องก็ได้ยินได้เห็นต้นหัวเราก็ร้องให้อยู่ตลอดเวลาทีก็เคยเพิ่เจอตัวเองหัวใจไม่พอใจในสมลักษณในสมจง วางอุตส่าห์เดี๋ยวกาลที่จะสิ่งทีเคยใช้คิดมามันก็ฉายออกมาให้เห็นเป็นความคิดคิดอะไรก็คิดขึ้นมาให้ลูกโดยจิตก็จิตไะทำนั้นเป็นจดิณิสัยเหมืนความคิดที่ไม่ตั้งใจกลับมาลู่ถึงตัวซะ อาการย์ที่เกิจิตบ้าคลิดเฉยๆก็เป็นสุขเปทุกข์ได้ผลงานจากความคิดมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์กลับมาู้จุดตัวปมาลงที่ความู้จุดตัวเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของกรรทําไม่หลุดไปตั้งนี้กลับมาตั้งอยู่ที่นี่พวกมันมีที่ตั้งเราเปลี่ยนที่ที่ไม่ ตปจกรไม่ได้เขียนสี่ที่ไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องไม่เป็นความลู้มันเปิดขึ้นได้ทุกโอกาสมันกอรู้มันเกิดึ้นมันกรู้ตเห็นู้ก็รู้หูยินเสียงก็รู้จมูกไม่กลิ่นก็รู้ลื่นในรถก็รู้การสัมผัสกรู้จิตใจเกิดยึดก็รู้และให้มัน ไปตาม อ, อิสระชุกสนที่เคยก็ได้แต่ก่อนวัด น, นี้ไม่ได้สอ น, Nam, น, น, นจอิตนะให้ลูกได้บทเรียนจากความหลงได้เป็นความลูกได้บทเรียนจากความทุกข์ได้เป็นความลูกได้บทเรียนไปกความสุขได้เป็นความลูกนี่ที่สมาทาน อ, อ, าทาอยากดูตายสมาตั้งไว้สมาตั้งไว้ เมื่อจะมาตั้งไวหวหลงนึ่งข้างรูกถึงข้างหนูก็ต้องในการฉันนานได้บทเรียนตรงนี้พอ <c oughs> ได้บทเรียนก็เปดความฉลาดเป็นธรรมดามบางคนถูกโลกคนถูกหลอกก็ย่อมฉลาอดต่อความเฉลาดขพรความถูกหลอก เราควรถูกควกคุมบันฑิตทีดหนังใส่ขึ้นที่กาที่ใจนี่ปวดเดืยนที่กาที่ใจนี่กลายเป็นปัญญาหมดพ้นออกมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกาตก็มีจากเหนหนักไหมลองมามหนูภาพลองดูน้องเตยต้นไว้ ไม่มีหลังขาไม่มีฟืมีาไม่มีพื้นอะลรอยู่ที่แท่นกีฬาวันลาสิหาปนูนแล้วก็จริงวัดรอมไม่ดีเลยก็อยองคิดเยอะแยะโตดเลยัวดายว่า ก็จะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยได้ใช้มามีประสาททั้งสามฤดูเปรียบเทียบก็ไม่ได้เจ้าเหตุเจ้าผลมาก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องรู้ถึงตัวเนี่ยกลับมารู้จักตัวเนี่ยไม่ใช่มานั่งคิดถึงโูกถึงเนี่คิดถึงความโศกคิดถึงความทุกข์ควนตาอะไรเราตัาง้งตาไมใช่ ให้ในชีวิตปัจจุบันรู้จึตัวรู้สึงตัวขึ้นมาแบบบางรายที่ได้กำวมาฐานที่ตั้งได้คำามาถานที่ตั้งม่ายสุดไปไง่าเหมือนเราจับโตนูนนู่นไหลจับลาวาที่รถไปขับไปว่าขึ้นมา เล้ขึ้นมาพ่อเอาอไว้ไหวได้เพื่อไม่ีเวลาถ้ปล่อยมันไหลพไปตักตกต่ไปเรื่อยๆไว้ติของเรานี่มันไหลไปทางต่ำอเรื่อยๆถ้าสุางคนดีก็ยากคนทางานก็ต้องเหนือก็นธรรมดาตอนาเขาไล่ทำงานก็ออกแบบ ออผลต้องเหน่อยเมืรหน้าจะเอาส่จะเอาความหน่อยเม้หน้ามาทดลองกับชีวิตได้เพราะว่าทำที่กันกระทนี่หลังเื่อาก็ต้องก้มปรันปรับ้นข้าวไถนาหวานข้าวเกี่ยวข้าวผลจบต้องสู้เพาะหน่อทงานทำเยอย ให้ความร้อนควมหนาวความเหนื่อยแต่ให้ที่งานได้ก็มาถามก็เช่นกันที่มันจะบดิงไปทางไหนมันไหลไปทางก่อคิดง่ายงก็กลับมาด้วยจักรมาตั้งไว้มาตั้งไหวจนนี่เมื่อฝึกตนฝึกนปเรื่อยก็ง่ายขึ้นทำนานขึ้น โดยการง่ายที่จะหลงเช็คแบบไม่เหมือนง่ายที่จะรู้คำลาคนศึกอะไรก็ํานานในวิชานั้นนงั้นเราศึกษาเราเรียนจนเป็นวิชาชี้จนเป็นศาตร์เป็นศิลจบวัถมมัตยจมเฉลิวดมจบปริญาศาตร์เป็นิฉันไม่ํานานวิชาด้านนั้น ได้เพาะมันมีกรรมฐานในทิ่ตังว่าอยู่แล้วสมัยก็ดีคนที่มีกรรมฐานดูแลกายใจว่าต้องสนานิารณาในเรื่องกาวเรื่องจอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจกับลูกอเลยเกิดขึ้นกับตาย ก, ากับลูกจะจะนี่การที่เกิดกับต่อก็เยอแย เวลาเราเพื่อนหลวงปก็เมื่อยนั่งอยู่ต้องเจอยังทำจนถึงใกล้รุ่มเฉินเงินเฉนทองขึ้นดูเจจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งต้องอดทนต้องขยันต้องมีความเข้าเียนไม่ทอดถอยบางทีก็เกิดความขยัน เกิดกองลูกเกิดไปเห็นช่องทางแก็สนับสนุนใหเปลี่ยนน้าเป็นดีแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจิตก็สูงขึ้นง่ายขึ้นหลังจากคนทำงานก็เสร็จแล้วก็โยกอดพยายเพ่งขึ้นแข่ชาวไล่ทำไล่แต่ใหญ่ใกลจะสาเร็จ ก็กาหนดได้อีก4วัน2วัน2วันจะสาเร็จดาวนากรรนาตั้งใหญ่คามเร็จเขาบอกจริงจริงหนังบอกงานหนําบอกคือนอนก็ปักดำแล้วที่นี่ก็ปักดำแล้วเหลือเช่นนี้เหลือเช่นนี้มันวก็เกิดความขยันขึ้นมาเป็นเช่นนั้น กำหนดได้เลยชำนาญการทำนาทำนานาชีพแต่ตอนศึกาเรื่องการท่องสก็เป็นอาชีพที่ว่าฉีกขาได้ทำงป็นกลังใลังศสมัยที่สัญญาเป็นการกำลังสร้างถนนผู้ที่ศรทธาทำทยกขาผู้จะเช ผู้ศึกษาธรรมธรรมยอลักษาผู้ศึกษาผู้ปฏิบติตํรอยู่แต่นิดโดยก่านเราลักษณะฉินกอมาฉินจะรักษาะเราหันไปอย่างนั้นกรมาฐานทุกอ่างกัรมฐานนี้เราเดินทางคือเราจะเดินทางต่อมาต้องการให้คนมาช่วยเหลือเราจะเดิน เราทุกสุยากไม่เป็นปัญหาเราจะเดินเดินทางกลยี่สิบวันเดินอยู่เช่นนั่นยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันเดินอยู่เช่นนั่นเราจะเดินไม่ได้คิดว่าร้อนนักเหนื่อยนักปวดเมื่อปวดตัวนักไม่ได้ซึางนัก คือกวเราจะเดินจนถึงจุดหมายปลาานี่ก็คือโอหิชากรรมฐานเหมือนกันทำเลยได้สาเร็จเมื่อเรามาทำสำเร็จเรื่องการร่างกายก็เช่นกันจนเกิดจนหลงลอยข้ามโดยกอนก็ลู้ลอยข้าง ตอบว่หลงครงเดียวไม่หลงอีกมัก็ชำนาญอย่างนี้ทุกครั้งเดียวไม่ทุกเรื่องเก่าอีกโกรธเรื่องเดียวนั่นไม่โกรธเรื่องเก่าอีกมก็ชานานอย่างนี้เมื่อมันชนานอย่างนี้ภาษาธรรมะชำนานการในใจเรื่องนี้ก็เรียกว่าการยานุปุชชน อยกตะเกนมเป็นปุถุชนเมื่อดบดหนาพึกหนังสาหดแบดนี้เห็นช่องทางก็กล่าวถึงขงหยานปุถุชนโดยความรู้จบความหลงโดยความผิดจบความโด้ควางถูกจบความผิดถึงขงหยาณปุถุชนขึ้นมากายใจว่าเดือดเย็นก่อ เปนี้ตเป็นเื่อนับเตยเป็นมนุษย์ถึงมากันเนี่ยแป็นมนุษย์เป็นด้เพราใจสูงจะกว่ามันใจต่ำยินดียินร้าตมันต่ยินดียินรายแล้วแต่เขาจะให้เป็นดไรให้พัฒนาวันี้มนุษย์ใจสูงขึ้นมาเนือส่วนยินดีเนื้อส่วนยินรา เหนือความโกรธความทุกข์แต่ยังไม่อยู่แต่ว่าไม่รับใช้ความโกรธความทุกข์เหนือกิเลสตันหาแต่กืเลสตัณหามีอยู่แต่มันไม่รับใช้กิเลสตันหนาเกิดความคิดขึ้นมาแต่ความไ้อยางความคิดคิดขึ้นมามองไม่หลับคิดขึ้นมาน้าตาไหลคิดขึ้นมาล้อให้แับนี้อาจจะหัวล้อหวล้อมทุกข์ได้วนุษย์วิ่งได้เมื่อไปมีเยก่ามนุษย์ แต่กว่าเมื่อภายในก็น่าเบื่อมากถ้าเป็นมนุษย์จะมันสูงมันจะเห็นว่มันจะเห็นเห็นความมโนจิตหลังจะเห็นโง่เช่นจะเห็นความอิทิฤทึิ์จากตัวเราเช่นจะมนุษย์เป็นอย่างนี้แม่ใช่นมันนั่งอย่งนี้ถึงมนุษย์ทั้เป็นมนุษย์เป็นได้เพราใจสูงเหมือนหน่งยูมีดีที่เหวฝุ่นถ้าใจดมเป็นได้จะเพียงคน เราะันมันไปที่จิตใจที่มันเป็นโน้เราเป็นอาาบคน้ตื่อดมจื่อเยิ้่อฝางจื่อไหนถึงนั้นอาาบุคคลสมบัติชันหนึ่งจึงมันมีจากข้าวที่เครเป็นเหิน i tỉnh thay quán t r i t quán t u y ế t p h o n t tài t ỉ n g táo thức tỉnh thảnh thơi n h thức tỉnh t h ố c nếu q u n tỉnh n g u tỉnh n g t n h n g h như là nó giúp bệnh thân đợi cho mình n ó ư g mà v c á chỗ đời bệnh như là mọi v i ệ tiếp sẽ đ a y k h t u ầ n nói v n h a s ระเจ้าจว่นเมื่อพจารณาลอลกขึหนึ่งชั้นต้นๆจะหล่นหนึ่งชั้อาหล่อีกงชั้นความหนาที่หลน่ได้หลขึ้นเดียามหนาที่มาถึงทุ n ขึ้นเดีนถึาทุกข์จะบว เยอมาบหน่อยตัวลกมันก็ทำทไม่กูทวหรก็ททว่มาตปกแมคิดก็สุกปกแนัด้นจะนที่ใจบริสุิคิดเังใคิดคิดขึ้นมาตกปกหรือกือ คิดูที่ว่ามันมนำ ส, ส, สิงดเมื่อเราฝึกไปไปิดสังเกตุรือฝึกขึ้นกขนไม่ได้มันฝึกขรวมคิ ด, ดอีกขั้งเราเนี่ยระหว่างสังเกตในส่นคิดอมูกนก็ยังคิดอยู่อ ง, อ, ง อ, งองดูจุดตรงขาหัก มันแต่ละวิญาณเดี๋ยวว่าพระยกวานโดยชนน่ยอ่ะ่แต่ว่าติาสว่ารไปไปจากข้าติดเห็นงูไ่เเห็นเแต่ตอนนี้เห็นงูออกมาเห็นทุกนเป็นทุกข์จาทุกข์เ็นวมโกรธไม่เป็นทูวจากทุกข ผมสอนหลวงนะผมผู้หลงเพื่สอนหลอยบุคคลเช่นดนหนึ่งันไม่อยู่จริงชื่อ้นหนก็ไม่สนโกรธไม่อยู่ฟังทุกไม่อยู่ก็เอางงมันก็ได้บทเนนี้มช่เายัเพันมีทิศมันจบบุกตวเือนาอันนี้เรียกว่า วิชากรรมฐานเขาไม่เกิดภาวนาเขาหย่นมามบูรณเมื่อมีภาวนาเกิดวิปัสสนาย่นนสาที่เห็นเชมถูกต้องตัวไม่ถูกต้อง้อยไดเ่าต้งหลงถูกต้งหรือตงหลงถูกต้อง ตัวมโกรธตัวต้องไหมตัวไม่โกรธตต้องไหมไม่ครู้นะสัมผัสมาแล้วนั้นหตุเช่ไม่เอาไม่เคยเอาความโกร่มีใคยเอาความทุกข์ไม่เคยควงมหลงมีแต่เนื้อตาคนมาเรื่องขอโกรธดเราโกรธเนื้ a ตาของเขาขัดข้องคนที่โกรธโดยผขไม่รู้คนที่ด่าเราเขาไม่รู้ คนที่ขอหลวเนมการที่หยโกคนที่ม่ดีหมดสงเมอนกับที่กอนที่ช่วยนี่วันที่เคช่วยนดที่เย่ไม่งคนที่ช่วคนที่ดีก็อาเงินมาฝากขช่งได้แต่คนที่ดี้ที่อเราถึงติด เราบอกไที่ไหนก็ดูด้วเราไม่ไดสอนเขาต้องชอบคิกับเราชบเาด้เพราะไม่เหมือใครสอคนิกเป็นงานเป็นงานเป็นาช่วยกันชิดเป็นช่วยกันราบมา่อกันรี่องขเราเป็นพ่อเตัวเป็นพ่อเป็นแม่จะ็นพี่เป็นนองเป็นพ่อเปม่กันเลยนกจากช่วยเกิดควาสมานใีกัหน่อ อย่างนี้กว่าปิปัจฉนาสมถะที่เกิดสุดยอมออนยากยมตฤศลวงไปโอบกอดเหมือนพุธเดินถอดเย็บโอบกอดพังเดียววิ่งเอาวิ่งเอไหได้ไหวรันวแล้วเจอนของ ยอนคำย้อที่เกิดขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติถ้ามาพันาอเนื่องก็เชื่อมได้เ่อมได้อาจจะเฉื่อได้รืว่ากรรมถานเราที่ตั้งอยู่แล้เชื่อมไม่เป็นแต่ไปเลืยจะไปเ่ดนั้นขอสนสนุนากกรรมถานดาให้ข้าววิชานี้ชีิตของเหมาะแต่วิชานี้เกิดมามีกายมีใจเนี่ย เครื่องมที่ดีตําลาเล่นใหญ่จะได้ฉลาดตรงนี่ว่าปัญญาตลอดกาลให้เรียบร้อยชื่อว่า่นตลอดกให้เรียบร้อ่ว่านกาลกวะ่ว่าวงรูกในของสัาที่เกิดจายปัญญา นี่เราพร้อมแล้วได้โมดุกได้สมีชาติาาฮุภิจจามีูที่สมนี้ยกคู่ขเข้าเดยกมมจตุเกาปต้องประกบอไม่จําไรไได้ไม่จําไม่ได้มาท่องออกไปได้ปาขาวคำพไรคุณติเ ต้องสมบัติเอาใจใตออกข้ัวตัวออกตัวรู้ทุกเรื่งีต้องทอรำมานี่้ดดมรู้สึกตัวนึกมือนก้นให่ไมรู้ทุกเรืงีมเหนะานไหน ไปด้กันมาไปดิ้นกันนะ น, น, นะมีกันร้อยชีวิตมากก็ดีนะาให้นี่เป็นบ้านเราพี่นึงนะบ้านร้อีพหนึ่งเลยที่นี่นะอย่าได้เรามากันเท่ากันแนมะไม่มีญาตินี่แหญาติของเราไม่โกรธไม่แกล้งกันไม่ดุดไม่ด่ากันไม่ทำลายกันไม่เยียเหามกันไม่สาส์นกัน ต้องการอะไรบ้างบพรอค